เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่ห้าวันที่สิบเปลี่ยนศาสนาเสานี้คนในบ้านชั้นวานได้ทำธุระบางอย่างฉันจึงไม่ได้ออกต่างจังหวัดดังเคยแต่กลับถึงบ้านก็เข้าห้องปิดประตูนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขทานเข้าเย็นกับสมาชิก ค, ครอบครัวราวทุ่มเศษคุยเฮฮากับพวกเขาเป็นปกติพักใหญ่ ก่อนที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํากิจของตนฉันเข้าห้องด้วยความตั้งใจจะกลับมาทําสมาธิต่อแต่ก็พอดีกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นฉันแปลกใจเล็กน้อยเธอนั่นเองคนที่เคยอยู่ในฐานะแฟนแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในฐานะคนห่างแล้วกลับมาเป็นแฟนอีกและน่าจะกลายเป็นคนห่างไปอีกแล้วราวกับลมหายใจที่เข้ามาแล้วออกไป แล้วก็กลับเข้ามาอีกแล้วแล้วเล่าๆต่างจากลมหายใจก็ตรงที่ฉันกำหนดสติรู้ด้วยใจที่เป็นกลางยากหญิงที่ฉันเคยรักทักทายด้วยน้ำเสียงเรียบเหนื่อยเกือบเกือบปกติแต่คงเห็นฉันพูดตอบกระอักกระอ่วนนิดๆเลยถามตามตรงว่ายินดีคุยด้วยหรือเปล่าฉันยังใหญ่ดีพอจะกลัวเธอเสียน้ำใจจึงฝืนพูดให้แจ่มใสขึ้นทั้งที่เริ่มเกรง เพราะความหวาดหวั่นว่าเดี๋ยวจะต้องเจอบทสนทนาหน้าลำบากใจและแล้วก็ได้เจอจริงๆดังคาดเธอบอกว่าเธอกำลังเศร้าและเป็นทุกข์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพอดีมีเพื่อนชวนไปเข้าโบสถ์ของศาสนาหนึ่งที่โด่งดังขึ้นชื่อในด้านดึงคนมาศรัทธาเธอก็ตามเข้าไปและรู้สึกว่าอาจเป็นแสงสว่างที่สาดลงมานาทางพอดีจังหวะจริงๆ เธอพบความสุขความอบอุ่นใจกับครอบครัวที่แท้จริงแล้วและขอบคุณที่ฉันมีส่วนช่วยส่งเธอไปฟังทีแรกฉันตกตะลึงใจหายวูบแต่พอตั้งสติได้ในวินาทีต่อมาก็สัมผัสได้ถึงความเศร้าส้อยอาลัยจิตใจที่ยังคงหมกจมกับเจตนาพูดให้ฉันรู้สึกผิดและหันกลับไปประครับประคองเธอดังเดิม จึงตั้งหลักครู่หนึ่งเรียบเรียงคำพูดได้ก็บอกว่าทุกศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจกับผู้มีอัธยาศัยต้องกับศรัทธาแบบนั้นๆฉันจะยินดีด้วยหากเธอพบทางเลือกแน่แล้วแต่ก็อยากให้เธอพิจารณาดีๆในระยะยาวด้วยเพราะบางแห่งหากินกับศรัทธาของศาสนิกชนแรกเริ่มเข้าไปทุกอย่างฟรีหมดให้เปล่าตลอด แต่พอเริ่มเป็นคนในชนิดถอนตัวยากก็จะเริ่มขอแหลกและมีอุบายในการตื้อสารพัดวิธีเกินกว่าจะปฏิเสธกับทั้งสอนแปลกแปลกประเภทอย่าไปกระตันอยู่พ่อแม่พ่อแม่มีเราเอาสนุกเท่านั้นถ้าเป็นพวกเนี้ยก็ต้องถอยแต่เนิ่นๆก่อนจะสายเธอบอกว่าตอนเนี้ยเธอไม่มีกระจิกกระใจวิเคราะห์อะไรดีอะไรเลว เหมือนคนกำลังจะจมน้ำรมร่เมื่อขอนไม้ลอยมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนในขอนไม้จะมีหมามุ่ยหรืองูพิษอยู่หรือเปล่าก็ช่างเถอะฉันฟังแล้วเครียดเกินกว่าจะตั้งสติทันเพราะน้ำเสียงเธอเจอแววเศร้าน่าสงสารได้แต่ด่าตัวเองว่าไม่ควรเลยหากคืนที่เธอโทรมาชวนทานข้าวฉันเพียงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลด้วยเหตุผลดีๆก็คงไม่มีเรื่องน่าอึดอัดกัน แต่ใครจะไปรู้ละ่ะว่าต้องลงเอยท่านี้ฉันพยายามเตือนสติตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำพูดในสิ่งที่ควรพูดเพราะมิฉะ น, นั้นแล้วอาจต้องเจอเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกยิ่งกว่าที่เป็นอยู่หลายร้อยเท่าและเพราะกลัวพูดผิดๆตอนกำลังคิดอะไรไม่ออกฉันจึงเงียบนานและจากกระแสใจในความเงียบระหว่างกันนั้น ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ยอมวางสายแน่จนกว่าฉันจะแสดงความรู้สึกผิดออกไปชัดๆซึ่งสติในบัตรนั้นบอกตัวเองว่าการพยายามอ้อนวอนหรือแสดงความห่วงออกนอกหน้าเรื่องการเปลี่ยนศาสนาจะยิ่งทําให้เธอคิดในทางอากุศลหนักกว่าเดิมฉันจึงมาแนวใหม่พยายามชวนเธอคุยเรื่องอื่นที่ห่างตัวห่างจากเรื่องศาสนา ตอนแรกเธอก็ยอมคุยถึงดินฟ้าอากาศการงานการเมืองกับฉันอย่างฉลาดพอจะไม่ทำตัวน่ารำคาญแต่ถึงจุดหนึ่งเธอก็วกกลับมาพูดถึงบรรยากาศในโบสถ์เปรยว่าดีนะกับบรรยากาศเป็นมิตรความเป็นครอบครัวที่ยังยืนไม่ทิ้งกันมีใครต่อใครเข้ามาทักทายทำความรู้จักกับเธอเยอะแยะไปหมดนอกเหนือจาก ร, รมเนียมการต้อนรับสมาชิกใหม่แล้ว เธอว่ามีหนุ่มๆ ห, หลายคนเสนอตัวเป็นพี่เลี้ยงให้เธอด้วยแต่ละคนมีอาชีพการงานดีจบโทจบด็อกเตอร์กันทั้งนั้นขนาดฉลาดกว่าเธอยังหันมาเชื่อก็แสดงว่าไม่ใช่ศาสนาของคนโง่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สอนให้ทอดทิ้งกันไม่สอนให้เอาตัวรอดเพียงลาพังและไม่สอนให้เห็นลูกเป็นห่วงขวางความสุขเสียด้วย ฉันเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาอย่างยากจะห้ามเพราะรู้ว่าเจตนาของเธอคือว่ากระทบไปถึงพระพุทธเจ้าเกือบจะขอเลิกสายเดี๋วนั้นแต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการวางสายนั้นง่ายมากแต่การวางความยึดมั่นถือมั่นนั้นยากแม้จะหยุดคุยกับเธอแล้วก็ตามสู้แกปมที่ขอดยุ่งให้คลายออกเดี๋ยวนี้ดีกว่าอีกอย่างหากคุยเสียให้จบ เพื่อความลงเอยที่ดีต่อเธอได้ก็น่าทำเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันมีเอี่ยวในการทำให้เธอคิดอกุศลถึงขนาดนี้ก่อนอื่นฉันทำความสบายใจให้ตัวเองด้วยการนึกถึงที่พระพุทธองค์ตรัสคือถ้าใครมาว่าพระองค์จะรุนแรงขนาดไหนก็ตามก่อนอื่นอย่ากโกรธแต่ให้ดูว่าเขาพูดถูกหรือเปล่าถ้าพูดถูกก็ยอมรับว่าพูดถูก ถ้าเข้าใจผิดก็แก้ความเข้าใจกันด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งทำกรรมโดยไม่รู้ว่าเป็นบาบนั้นท่านเปรียบเหมือนคนคว้าฐานร้อนมากรรมเพราะไม่รู้ว่ามันร้อนจึงไม่มีจิตคิดระวังแม้แต่น้อยฐานร้อนนั้นย่อมทําให้เกิดบาดแผลปวดแสบปวดร้อนเต็มไม้เต็มมืออย่างไรก็ตามธรรมชาติการให้ผลของกรรมไม่เป็นไปในทันทีเหมือนการให้ความร้อนของฐาน ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหรือรอเงื่อนของเหตุการณ์ที่เหมาะสมกว่าที่เงากรรมจะตามไปเล่นงานซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นผู้เคยทำบาปย่อมลืมแล้วหรือไม่รู้แล้วว่าเคยทำเหตุไว้ตั้งแต่วันเดือนปีหรือกระทั่งชาติภพใดคิดแล้วฉันก็สงบเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วประโยชน์อะไรฉันต้องโกรธผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พูดได้ทุกอย่างเพียงเพื่อเอาชนะฉันควรเห็นตามจริงว่าเธอกําลังทำความเดือดร้อนให้ตัวเองต่างหากฉันถามเธอว่าติดใจเรื่องพุทธศาสนาสอนให้คนเห็นแก่ตัวมากใช่ไหมพอเห็นเธอนิ่งเงียบฉันก็ค่อยๆชี้ให้เห็นตามจริงว่าแก่นของพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นทางใจชนิดไม่กลับกาเริบเป็นทุกข์ได้อีกแก่นของพุทธ ไม่ใช่การปลีกตัวไปสวยสุขแบบคนรักสบายตรงข้ามพระในอุดมคติจะยังติดต่อกับชาวบ้านด้วยภาระใหญ่คือเป็นที่พึ่งทางใจและตามวินัยพระก็ยังสามารถเลี้ยงพ่อแม่แม่ให้อดตายได้ด้วยนี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคราวนี้มองย้อนกลับมาทางการอยู่ร่วมกันในโลกตามสามัญสานึก คนจะคิดหรือมองว่าการไม่เห็นแก่ตัวคืออยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันไม่ทำร้ายกันแต่ขอให้มองโลกด้วยตาเปล่าคนเราเต็มไปด้วยช่องว่างที่ไม่มีวันถมได้เต็มยิ่งไกลชิดกันมากและเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นช่องว่างนั้นชัดขึ้นเท่านั้นคนเราจะมีแต่ใจพยายามประคับประคองหอบหิ้วกันบุกน้าลุยไฟ เพียงชั่วเวลาที่ยังรู้สึกรักรู้สึกหลงแต่เมื่อใดเบื่อหน่ายช่องว่างหรือเบื่อรสชาติเนื้อหนังของกันและกันก็ทิ้งขว้างได้อย่างไม่มีเยื่อให่หรือยิ่งกว่านั้นตามข่าวที่ปรากฏก็คือเบื่อคู่ของตนจุกอกอยากไปมีใหม่บ้างแต่อีกฝ่ายไม่ยอมอย่าให้ก็ถึงกับแอบฆ่าแกงกัน ฉันบอกผู้หญิงที่ฉันรักว่าเราสองคนเหมือนอยู่บนต้นทางการผจญภัยในที่แห่งหนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่บ้างแต่ที่ฉันเห็นคือความขัดแย้งไม่อาจลงตัวแม้แค่ความพอใจในการใช้ชีวิตแล้วเราจะคาดหวังให้เส้นทางผจญภัยร่วมกันนี้มีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจได้โห่เราะเหมือนเที่ยวสวนสนุกคงไม่ใช่แน่ๆ ฉันบอกเธอด้วยใจจริงว่าฉันรักเธอแต่ไม่ใช่ในแบบที่เอาอารมณ์พิศวาสอยากครอบครองมาเป็นที่ตั้งขอให้เธอลองคิดดูว่าเมื่อเธอบอกเลิกฉันนั้นถึงแม้เศร้าโศกเพียงใดก็ยังบอกเธอได้เต็มปากว่าฉันเข้าใจว่าความเหงาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวในต่างแดนและฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอตลอดไปถึงแม้ว่าไม่มีอนาคตร่วมกันอีกแล้ว หากฉันเอาแต่บ้ารักไร้เหตุผลไม่เอาใจเธอมาใส่ใจฉันฉันจะพูดอย่างนั้นได้ไหมแล้วลองมาเปรียบเทียบกับเธอในบัดนี้ที่มีแต่ถ้อยคาประชดอยากทิมแทงให้ฉันเกิดความเจ็บใจเอาของสูงที่ฉันเคารพมาปราโมาดโดยไม่เคยศึกษาอะไรจริงจังอย่างนี้น้ำหนักความเห็นแก่ตัวของใครมากกว่ากันและระหว่างเราสองคน ใครเข้าใจความรักความปรารถนาดีที่แท้จริงยิ่งกว่ากันผู้หญิงที่ฉันรักค่อยๆร้องไห้สะอึกสะอื้นยืดยาวก่อนจะบอกทั้งยังเสียงเครือว่าเธอไม่เคยหยุดรู้สึกผิดแม้แต่วันเดียวและก็ได้ขอโทษฉันแล้วฉันให้อภัยแล้วและทำให้เธอมีความหวังแล้วแต่เพียงแค่เธอพูดผิดผูฉันหน่อยเดียวถึงกับสลัดเธอทิ้งไม่โทรหาอีกเลย อย่างนี้หมายความว่ายังไงน้ำใจของฉันหายไปไหนทำไมถึงไม่เป็นคนเดิมที่หนักแน่นได้กับทุกเรื่องฉันรู้สึกแย่ลงใจที่เลิกเอาแต่ได้มาพักหนึ่งทําให้รู้สึกสังเวชในความเห็นแก่ตัวของมนุษย์คนเราพูดเอาประโยชน์เข้าตัวเองได้อย่างเหลือเชื่อและที่ขำไม่ออกคือเขาเชื่อจริงๆว่านั่นคือความยุติธรรม การที่คนอื่นไม่ตามใจหรือเป็นไม่ได้อย่างใจถือว่าเป็นความเลวร้ายถือเป็นความผิดที่สมควรพิจารณาปรับปรุงเสัยฉันถอนใจยาวให้เธอได้ยินบอกเธอว่าถึงวันนี้ฉันเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งคือธรรมชาติจะบังคับให้เราทิ้งทุกคนไปอยู่ดีเราเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรารักละหวังหอบหิ้วใครไปด้วยก็ตาม พวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวมาสวมหัวโขนเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักเพื่อนศัตรูหรืออะไรอื่นเดียวๆเราก็ต้องตายจากไปเป็นอื่นแม้ในชาติเดียวกันก็อาจเป็นอะไรหลายๆฐานะบางคนเดินชนไหลหรือเหยียบเท้าใครอีกคนบนถนนทะเลาะ ก, กันเลือดขึ้นหน้าเป็นพักกว่าจะจำได้ว่าเคยเป็นเพื่อนรักสุดรักสมัยประถมมัธยม ที่เคยอยากไปไหนไปไหนด้วยกันตลอดชีวิตแต่พอห่างกันมากๆเจออีกทีอาจกลายเป็นศัตรูก็ได้เราต่างถูกหลอกว่ามีคนรักและเครือข่ายญาติมิตรทั้งที่จริงทุกคนไม่มีแม้แต่เงาติดตามตัวเองไปได้ตลอดฉันพูดอย่างจะทิ้งท้ายว่าเธอจะหมดศรัทธาในฉันก็ได้หมดศรัทธาในพุทธศาสนาก็ได้ แต่ย่าหมดศรัทธากับการหาสิ่งดีที่สุดให้ตัวเองถ้าการเปลี่ยนศาสนาคือความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่แค่การทําเพื่อประชดใครก็ขอให้เปลี่ยนไปเถอดแต่จงท่องไว้ว่าไม่มีใครทําให้เธอพ้นสภาพนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวเมื่อเลือกทางไหนก็ต้องเดินอยู่บนทางนั้นพบปากผู้คนและสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางแบบนั้น เธอเริ่มหยุดร้องไห้และนิ่งแบบคิดลึกจริงๆเป็นครั้งแรกในที่สุดก็ถามฉันเสียงอ่อยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาไหนสอนผิดหรือสอนถูกฉันตอบทันทีอย่างเตรียมไว้แล้วว่าถ้าเธออยากไปเที่ยวทะเลและมีใครคนหนึ่งแนะนำขึ้นรถโดยสารไปจังหวัดน้องคายกับใครอีกคนหนึ่งแนะนำขึ้นรถโดยสารไปจังหวัดกระบี่ถ้าเธอไม่รู้จักภูมิประเทศของไทย ไม่รู้จักทั้งสองจังหวัดมาก่อนไม่รู้กระทั่งทิศไหนเป็นเหนือใต้ออกตกเธอคงต้องไปให้ถึงจังหวัดอันเป็นปลายทางเสียก่อนจึงจะรู้ว่าใครบอกผิดหรือถูกแต่ความจริงคือเธอรู้จักภูมิประเทศของไทยว่าถ้าไปทางเหนือจะไม่เจอทะเลแต่ไปทางใต้หรือตะวันออกจะเจอเพราะฉะนั้นเธอสามารถถามเลียบเคียงได้ว่าหนองคายอยู่ภาคไหน แล้วกระบี่อยู่ตอนใดของประเทศอย่างนี้เธอก็พอจะรู้ว่าใครบอกทิศทางที่เธอประสงค์อย่างถูกต้องกันแน่ศา ส, สดาบอกเป้าหมายปลายทางแห่งศาสนาของพวกท่านเสมอถ้าเธอฟังเป้าหมายของพวกท่านแล้วศรัทธาคือถูกกับนิสัยและความรู้สึกนึกคิดของเธอก็ลองเลือกที่จะศึกษาลองเลือกที่จะเอาตัวเข้าทดลองเพื่อให้เห็นจริงว่า ศา ส, สดาท่านรักษาสัญญาไว้หรือไม่คือทำตามกติกาของท่านแล้วบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางได้ไหมต้องตายเสยก่อนจึงสามารถพิสูจน์หรือระหว่างมีชีวิตก็อาจรู้แจ้งประจักษ์จริงเราอยู่ในประเทศที่เลือกได้ทุกศาสนาอย่างเป็นอิสระผู้หญิงที่ฉันรักสงสัยว่าทำไมต้องเลือกแค่ใช้ชีวิตให้เหมือนคนอื่นไม่ได้หรอโลกทุกวันเนี้ย ไม่ได้มีแต่ภูเขากับแม่น้ำเหมือนหลายพันปีก่อนคนยุคเรามีอะไรต้องทำมีอะไรต้องคิดมากมายไม่ใช่มีเวลาว่างเหลือเฟือพอสำหรับนั่งวิตกเกี่ยวกับสัจธรรมหรือการหวังคอยความสุขในอุดมคติฉันตอบว่าขึ้นอยู่กับความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนเท่าวันหนึ่งเธอถามหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาจากหัวใจวันนั้นเธอจะรู้ว่า กี่พันปีผ่านไปสัจจะก็ยังรออยู่ที่เดิมถ้าเธอพบหัวใจเธอก็อิ่มเต็มแต่ถ้าเธอพลาดชีวิตนี้ก็จะเป็นแค่อีกห่วงโซ่ของความไม่รู้ไม่ค้นพบและไม่หลุดพ้นจากโลกงขังเธอไม่มีความเรียกร้องคำตอบสูงสุดแต่ฉันมีและนั่นก็ทำให้เรามองต่างกันเห็นต่างกันและยอมเสียเวลาในชีวิตใช้ไปในทางที่ต่างกัน เธอไม่ผิดฉันไม่ผิดมีแต่ความต่างกันเท่านั้น